เมื่อได้ทําความเข้าใจกันไว้เป็นพื้นอย่างนี้แล้วก็จะสรุปคุณลักษณะของท่านผู้เข้าถึง น, นิพพานหรือพระอรหันต์ตามแนวแห่งหลักภาวิตะสีประการคือภาวิตะกายภาวิตรศีลภาวิตรจิตและภาวิตรปัญญาดังได้กล่าวมาทั้งนี้มีข้อพึงตระหนักว่าคุณลักษณะและคุณสมบัติต่อไปนี้แม้จะจัดแยกไว้ต่างหากกันเป็นด้านนั้นด้านนี้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 ยกเรื่องนี้ขึ้นมาพูดตามความเข้าใจของเขาจึงเป็นเหตุให้พระพุทธเจ้าตรัสอธิบายในพระสูตรชื่อว่ามหาสัจจกสูตรมัชฌิมนิกายมุลปานาฏมีเรื่องที่เป็นเหตุปรารพบธรรมนองนี้จึงขอยกมาเล่าเป็นตัวอย่างและในพระสูตรนี้มีเฉพาะภาพิตรกายมากับภาพิตจิตเพราะฝ่ายที่ยกเรื่องขึ้นมาพูดเฉพาะสองพาพิตะนี้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 เขาเรียนรู้มาว่าเป็นอย่างไรตรงนี้สัจจการิครนไม่สามารถอธิบายได้พระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าแม้แต่กายพภาวนาที่เขาบอกมาก่อนนั้นก็ไม่ใช่กายพภาวนาหรือการพัฒนากายในแบบแผนของอริยชนหรือในอริยวินัยนี่แม้แต่กายพภาวนาเขายังไม่รู้และเขาจะรู้จักจิตตภาวนาได้จากที่ไหนจากนั้น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 ครั้นสุขเวทนานั้นดับไปเพราะสุขเวทนาดับไปมีทุกขเวทนาเกิดขึ้นเขาสัมผัสกับทุกขเวทนาเข้าแล้ว mm. ก็ไม่เศร้าโศกไม่ฟูมฟายไม่รำพันไม่คร่ำครวญไม่ตี อ, อกไม่ถึงความฟั่นเฟือนเลือนหลงอย่างนี้แหละอักขิเวสณนะเพราะเหตุที่ได้พัฒนากายแล้วสุขเวทนานั้นถึงแม้เกิดขึ้น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 เป็นผู้คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายดูกามหาบาพิธภิกษุในธรรมมวิเ น, นียนี้เห็นรูปด้วยตาแล้วไม่ถือติดนิมิตไม่ถือติดภาพรวมไม่ถือติดอนุพยัญชนะไม่ถือติดส่วนย่อยเธอปฏิบัติเพื่อสารวมอินทรีย์คือจักสุที่เมื่อไม่สารวมแล้วจะเป็นเหตุให้อกุศลธรรมอันสาม คืออภิชาความติดใคร่ชอบใจและโทมานต์ความขัดเคืองเสียใจครอบงำเธอรักษาจาักขุนสีเธอถึงความสารวมในจักขุนศีฟังเสียงด้วยหูดมกลิ่นด้วยจมูกลิมรสด้วยลิ้นถูกต้องโพธิภพด้วยกายรู้ธรรมารมด้วยใจแล้วก็เช่นเดียวกันภิกษุนั้นผู้ประกอบด้วยอินทสียสังวร อ, อันเป็นอรยะนี้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 ดมกลิ่นด้วยจมูกลิ้มรสด้วยลิ้นถูกต้องโผฏฐพะด้วยกายรู้ธรรมารมด้วยใจแล้วก็เช่นเดียวกันดูกร ะ, ระกุนทลีอินเซียสังวรอันบุคคลเจริญแล้วกระทําให้มากแล้วอย่างนี้แหละย่อมยังสุจริตสามให้บริบูรณ์อินเซียสังวรนี้เมื่อทําให้มากแล้วจะทําสุจริตสามให้บริบูรณ์ สุจริตสามนั้นทําให้มากแล้วจะทําสติปัฐานสี่ให้บริบูรณ์สติปัฐานสี่นั้นทําให้มากแล้วจะทำพ่อชงเจ็ดให้บริบูรณ์และพ่อชงเจ็ดนั้นทําให้มากแล้วจะทําวิชาและวิมุติที่เป็นภารณิสงสุดท้ายให้บริบูรณ์